มาใกล้ๆกั น, นมีมนเพื่อนพระสง์ทุกๆองค์ครับแล้วก็เนนก็ต้องตั้งใจฝังผราก็ต้องตั้งใจฝังญาติโยมก็ต้องตั้งใจฝังหลังจากการทำวัดเศามือนีหลวงพ่อจะมาแนะนำวิธีปฏิบัติทำ ม, มาพอะวานี้วายฝังแล้วผู้ใดพอใจยู่ก็ยู่ไป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 จะออกเดินทางไปหาจำภรษาที่อื่นได้มือนี้ถ้าพอใจอยุ่ที่ฝึกตนฝึกตัวจะอยู่ได้ครับเป็น่างสั้นที่ผมบอกนพราพรมพยายามทับมิงข่วนปีนี้เราจะต้องพยายามฝึกกันจริงจริงจังๆเพื่อจะไปสอนขนให้ว่าเดียไปจะฟื้นฟูนฟนตัวเขา บุญไม่จริให้ไปตามนี่ใส่ให้ไปตามอารมณ์มันมีสูตรพื้นว่าการปฏิบัติธรรมะพื้นว่าหนังสือเวลามีสูตรอะเดี๋ยวผมบูชา ก, กันสิสันแต่ ว, ว่าลักษณะพระพุทธเจ้าสอนนั้นเพื่นบอกว่าให้เจริญสติปัฏฐานซี่วะสันเขาก็ไปเรียนสติปัฏฐานซี่คือกายอยานุปัสนาให้มีสติดูกายใดกาย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 55ใครจะอยู่นี่ก็ต้องเปลี่ยนมือเปลี่ยมตัวได้ถ้าจะยอมเปลี่ยนแปลงได้หรอขันโบรยอมเปลี่ยนแปลงผมโบอยากให้อยู่เพราะมันเปืองสถานที่ผมนี่ครับเดี๋ยวมันผมก็มูดให้เขาเป็นอะไรทุกคนสละทุนเทเหื่อแรงงานลงไปนี่ปัจจัยทุกคนได้มาสตางค์หนึ่งสองสตางค์ทุ่มเทลงมานีมัดเพื่อเขาจิมาตั้งสถานที่เกาะทับยี่ขวนันี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งแรกของเขาในชีวิตนี้ เมื่อคิดย้อนถึงคํำพูดของท่านผู้รู้สัตตบุรุษเรื่าพระพุทธเจ้า ก, บบากลุ่มกบุรุษจักเลยว่าให้มีสติกําหนดรู้นี่มันจ้อแท้ๆนี่ในอิริยบถ ท, ทั้งสี่ยืนก็ให้มีสติรู้เดินก็ให้มีสติรู้นั่งก็ให้มีสติรู้นอนก็ให้มีสติรู้อันนี้เขามีสติเพื่ออย่าง ก็เพื่อบอกให้ลืมโตเฮานี่แล้วการกราบการไหวแม้ไหวพระทุกเช้าทุกเย็นส่งกระแสจิตไม่ได้สํานึกถึงตัวตัวมื่อที่เป็นแสนดงกระตามสางแสดงว่าเขาบูรู้ตัว เ, าเขาเขาลืมโตเฮ่ได้ยนนั้เท่านั้นพระก็ยังบพอให้มีสติเข้าไปกําหนดรู้ในอิริยาบถย่อยทุกวิธีฝุ่นฝนสอนเนี่ยอันนั้นเป็นคําพูดตรงๆทีเดียวอันนี้แหละพระใจกิดกับ หมดต้องไปพระไตปีดกพระสูตรพระวินัยพระวิธรรมอันนั้นดีแล้วพระไต่ปิดดกพระสูตรตันตปิดดกสองหมืนหนึ่งพันพระดมาขันพระวินัยตันตปีดดกสองมื่นหนึ่งพันพระดมาขันสองปิดกนี้เป็นสี่มืนสองพันส่วนพระิธรรมปิดกปิดกเดียวนั่นแหะมีสี่มืนสองันรวมเป็นแปดหมืนสี่พันพระำมาขันน มันเหีวได้เนอะเขากระเสริฐจิาไปติดทุค่คนให้มากระแสติดตัวเฮากําลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยพระ ส, สูตรคือตัวตัวเฮานี่แหละตนโตัวเฮาได้ทําการทํางานพูดคิดการกราบการไหวเนี่ยพระ ส, สูตรอันนี้พระเวิเนยคือคําพูดเนี่ยพายพ่ทําคือใจก็จนทําทำี่พูดใจมันคิดก่อนจะมาควคุมตัวนี้แบบนี้ บัด น, นี้คนผู้บวมผู้จักเรื่องราวของกาเห็กจังหวะอันนี้เป็นสูตรอันนี้เป็นวิธีการทําเป็นสูตรเป็นวิธีการทําเขาไมา่หักเจังหวะพลิกมือขึ้นขั้วมือลงยกมือไปเอามือมาอันนี้เป็นสูตรที่สําเร็จทําให้เกิดปัญญาสูตรที่สําเร็จแท้ๆนั่นคือว่าเป็นอารมณ์ ทำอันนี้ทำเพื่ออยังทำเพื่อให้เกิดปัญญาเดี๋ยวเจริญสติเขามีสติได้เขาหนังเขาพลิกมือเขาควบมือเขากราบเขาไหวเขามีสติผู้ใดบ่มีสติกะง้อยแง่ไปอ่อยแอะไปเลิกแบบนั้ น, ปนแปลว่าแสดงว่าบ่ฝึกตัวเองจิตใจบ่เข้มแข็งบ่ฝึกได้บ่ธรรมะคนฝึกธรรมะมันต้องจิตใจเข้มแข็ง ผมเคยว่าบ่อยๆผมตะกอนผมสูบบุรีผมไปโยมนะไปปฏิบัติธรรมะนี่ครับพะระยี่สิบปูกโยมห้าคนจิตใจมันบุกคือกันเนี่ยให้ไปตามอารมณ์เนีผมให้เป็นพูดเดียวผ ม, ผมหูหูยังอักหูตเหาเนี่สู้สำเร็จมันอยู่นี่พิกควมหูจักตัวเขาทุกครั้งทุกครั้งเลย มันก็บุกเคลื่อนบุกไหวแล้วตนวตัวเหรมันก็บุกง่อยแง่จิตใจมันก็เข้มแข็งสำหรคนอันนี้ไปสงสัยว่าใจคิดไปห้อยอันพันยางตัวโตพี่เริ่ระลืมแล้วเนี่ยแปลว่าคนลืมตัวคนลืมตัวนี่เพราะเอิ่นว่าคนประมาทมีชีวิตอยู่เท่าเดกัคือคุณตายแล้วเด็กคนว่ามันเน่ามันเหมินมันซัวมันทำซัวมันพูดซัวมันคิดซัวเด็มันว่าเห็นตัวทำที่ได้เนี่พยผ้าทำหมด ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกปฏิทิ่สู้เสเขาที่เอาธรรมใส่มาปฏิบัติก็ปฏิบัติตัวเขาที ilot, 看看่ส่วอย่างที่ถูกต้องเมื่อผมทำอย่างนี้ผมรู้รูดรู้เรื่องรูปเรื่องนามนี่เลยครับอันนี้หละเป็นสูตรมันแทนแลยอันนี้รูปนานี่เป็นของสำคัญคันรูปรูปนาแล้วกลับไปทำอย่างอื่นบ่แมนนะผิดแล้วเขาลืมรูปลืมน้าแล้วติมแล้วดิ รูปรูน้ำรูรูปธรรมรูน้ำธรรมรูปอันนี้มันธรรมใจมันกระธรรมจนวะรูปอันนี้เป็นโลกใจมันก็เป็นโลกเนี่ยอันนี้เป็นโลกทางเนื้อหนังบัดนี้โลกทางจิตใจได้บัดนี้จิตใจขี้เกียจขี้คานจิตใจโกรธจิตใจโลภจิตใจโล่งนะคุยจิตวิญญาณเป็นโลกอันนี้เป็นสูตรสําเร็จแท้ๆแหละอันนี้สูตรสูตรหนึ่ง ของบรรพะบุรุษบุคคลผู้ที่รูดีรูชอบอันนี้เป็นสมาธิิแท้เพราะของจริงให้เข้าใจอย่างสัตยแต่คนอื่นที่เข้าใจอย่างไดนบุู้จักผมรู้มาตังตีเมื่อรู้รูดรูดนามรู้รูดทำรู้นามทำรู้รูดโรครู้นามโลกกัะรู้ทุกครังตั้งใจดีๆอย่าให้งงแง่ถ้าบนตั้งใจดีแล้วจิตใจส่งกระแสไปบนอื่นพ of of <laughs> ูนล exactly ืมต <inaudible> ัวเหา มันต้องจิตใจเข้มแข็งดีรู้การเคลื่อนการไว้ทุกอิริยบทเป็นทุกข์เขาเนี่ยทุกข์ขังมันจิอยู่กับรูปอันนี้อันนี้จังมันไม่เทียงอนัตตาบังคับบังสาบได้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันนี่ผองจริงบอกว่าทุกเจ็บแค่เจ็บขาเจ็บหัวปวดท้องผมงอกคนหักอันนั้นเพื้นว่าทุกข์ขังอันนี้จังอนัตตาแต่เมื่อผมปฏิบัติโบแมน มันเป็นทุกขเวทนาทุกโศกโศกาทุกให้ลำไภตังหากัะอันนี้แหละเป็นสูตรมันแท้ๆเละนะูกอันนี้ลูกอันนี้เป็นสูตรอันนี้เดียวอ่ะปัญญาที่เขาทําลมเคลื่อนไหวนั่นแหละมันสะสมเล็กๆน้อยๆด้วยสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นให้ลูกของจริงอันนี้ลืมเพือโตไปโมเดิรนเอิร์นโมหะโพสะโลภเอาไปกินแล้วบ่มีสติแล้วเขาเนี่ย คนสอนจังสันพระพุทธเจ้าคนสอนเมื่อรู้อันนี้เลยผมก็รู้สมมุติโลเบเดียรสมมุติที่สมมุติเทวดาสมมุติบวชสมมุติสิกพระพุทธลูบมูลีสมมุติผมรู้จักอย่างสันจริงๆตอนเศ้าผมหูจักรููจักสมมุตินีรื่องของหูจักศาสนาโลเบเดียารศาสนาเป็นวัคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ ให้รู้เรื่องอันใดนำมาสอนทงนั้นแต่สอนให้ละตัวทําดีซื่อบนเบี้ยพุทธศาสนาผมเข้าใจแล้วตัวพุทธศาสนาคือตัวสติรู้สึกตัวเนี่ยตัวสมาธิตั้งใจเนี่ยคนตั้งใจจึงจะนั่งทนอยู่ได้จิตใจเข้งแขรงเมื่อมีสมาธิมันก็เลี้ยวพุนเลี้ยวพี่ลืนตัวไปเนี่ยปัญญาเบเนศสติสมาธิปัญญาปัญญาก็สอดรู้สอดเห็นกําลังเป็นอย่างไรอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ย มันก็สอนรู้ส่อนเห็นอย่างสิสนุนคอพุท ธ, ธาศาสนาโอ้พุท ธ, ธยังแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมธรรมะที่คือตวัวเหามันเคลื่อนมันไหวโดยวิธีเด็กกระลูพิบตาก็รู้หายใจรู้อยู่นี่บทีเดียวนี่อันนี้แหละเป็นวิธีปฏิบัติเป็นสูตรที่สําเร็จมาเท่ๆอั น, นบ้าก็คือโง่นั่นล้วนไเดียวมันมืดเพราะมันลืมโต เ, น, เนี่บุญได้ปะเนี่ยบุญคือรู้ รู้แล้วโบเศ้าโศกโบเสียใจนําผทั้งมดืดผมเป็นทังสังอันนี้เป็นสูตรที่เรียนให้รู้โบไม่เรียนรู้เนี่ยปฏิบัติมันรู้มาเองมันมาจากกฎของธรรมศาสตร์เียว่ายานของปัญญาวิปัสนาเกิดขึ้นวิปัสนาจังหวะรู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วต่างเก่าลวงภาวะเดิมนี่เลิกเลยผมอะแต่ก่อนผมมีคาถามื่มาคบุทองเนี่เอาไปเรีนบ่ เอาไปจากเล่มหุ้นเนี่ยไปเลียนมนเลียนมนคงนี่คงมีคงพาเนี่ยมันเรียนไปยังสันมันอันใดที่มาคงมากันได้จะมีแต่คนจิตใจอ่อนอ น, นั้นถ้าจิตใจแข็งแกร่งแล้วอ้ยมันคนหลอกคนซื้ออย่างว่าขวามนุษย์มันจะจำได้อยู่ในผมบางคําอมทุรีทุลีอยู่สันฮอกูมีแผ่นทองกั้ง้าสัน นาา้ากูแกนปั่นหินตีนกูแกนปั่นเหล็กก่อจังบั้นมาลูบเบ้าคอตัวแล้ว บ, บ่มีเหมียนน้าตาไล่ออกมาลูบผมตีนเนี่ยย่างไปนำถนนหนทางบางทีนาำปักกระเข้เนี่ยคนแข้งกูท่อดํคาคาคนคากูท่อขอเนเว่นกูจักเต็นไปได้หอยดกผ่นว่ะพญามุนทางหลายเจ้ามากราบมาไหวมากร่ า, ก า, กางมาบังไผ่ี้มากร่างมาบังตัวเฮาบ่มีไผ่ามากร่างมาบังที่จะเป็นคําพูดสมมติ ให้เขาเข้าใจสมมติจริงๆอันนี้แหละเขาไปติดสมมุติไปติดเตพีทีลีตองต่างๆเขาเลยบ่ได้ปฏิบัติตัวเขาจริงๆปีนี้แหะต้องออกกันจริงกระจังอันนี้เป็นสูตรสูตหนึ่งเบื้องต้นให้ลูกอันนี้คันผิดจากนี้ไปละผิดเลยเลิกได้เลยผมเลิกทุกสิ่งทุกอย่างเลิกไหวพริเลิกไห ว, เ, ไวเทวดาแต่ว่าไหวเทวดากูบิหินลนี่ คนใดมีหิริคมราอายแก้ใจอยู่เสมอนั่นแหลเทวดานั่งไหวเง่จนนั่นบุมีบุมีหีรินั่นลืมโตบุมีคมราอัยแก้ใจแล้วเด่นั่นนั่งไว้ผ้ากเงาเงาหลับเมางนอนนี่นั่งฟังเทศกลาเงาหลักเหมางนอนมันจีมีฮีิริยังไดเงินน่ะมันก็คล้ายๆคือสัตว์นิสโนวคนบุญมีคมราอายในใจนี่นั่นหมได้เบื้งใจตัวเองนี่นั่นคิดไปตามอารมณ์คุณ ที่วายฟังมุนจะเอาจริงเอาจังปีนึงทึกกันจริงจริงจังๆเตือนไปเมื่แหลงหวานนี่ผมนี้ครับถ้าพยายาอยู่นี่ก็ต้องเอาจริงเอาจังโ บ, ว, บ, บ, บว่าพระว่เนรมว่าญาติว่าโนเพราะว่าการปฏิบัตินั้นมีที่คาพูดแต่ตัวจริงนิดน้อยเป็นึงครับเมื่อปฏิบัติอย่างนี้นะตกเย็นมาผมก็ลูอิ่มทืท่อผมไปอาบนา้ำ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 ต้นไม้ผูกเขาห้วยหนองคลองบึงเป็นวัตถุทั้งนั้นเนื้อนหนังเขาเป็นวัตถุบนนี่มีจริงจิตใจเขาเป็นวัตถุมีจริงนี่ยของจริงมัต้องเห็นจริงองในในัไรตงไล่เป็นขั้นเป็นตอนมาอย่างต่างปรลามัติแล้วของจริงมีอยู่ในโลกนี้กําลังเขาสัมผัสนู่กาลังเขาลู่ตัวอยู่กําลังเขารู้ความคิดเขาอยู่เนี่ยเป็นปรลามาตัติอาการสภาพต้นไม้ผูกเขาห้วยหนองคลองบึง นื้อเนื่อหนังเขาเปลี่ยนแปลงไปได้จิตใจเขาเปลี่ยนแปลงไปได้บนเนี่ยลักษณะนี่เรียกว่าตุมกับน้าเขาเอื้อนน้ําคุ้นเหมาาืนอนโบแมนนม้ำโบได้คุ้นตุมเลนต่างหากมาให้กัน้าคุ้นวันนี้โตสติโตชีวิตของเขาจริงๆมันโบได้มีทุกโบได้มีโลโ บ, บได้มีโคดโ บ, บได้มีลงโลโค ล, ลงเพราะเขาลืม่มโตยังนั่งอยู่ดี๋นี้เนี่ยงอักเนี่ย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 นี่เป็ว่าได้กระแสได้ต้นทางกับนี้เลยผมรู้จักรูปดังสีเวทนามีอยู่แต่บทุกสัญญามีอยู่แต่บทุกสังขารมีอยู่แต่บทุกวิญญาณมีอยู่แต่บทุกนี่เท่าเออรูปสอันนี้แตก้อนมันรูปขันห้าวันนี้ขันสี่ขึ้นมาแล้วแับนี้นี่ผมรู้ไปแล้วจ้าเนี้เป็นสูตรสําเร็จมาแท้ๆสัตตบุรุษบุคคลผู้ที่ลูมาสอนมาดังสิรูปพี่จากนี้ไปโบเมีนแล้วแบบนี้ อันนี้เป็นวันหลักตระใจดีเมื่อรูบๆ น, น้ําเนี่ยแหะดีใจนี่ใจมันดีแล้วบุญพอเอาน้ําออกจากอันตะกอนใดเด้ตะกอนอันที่เขาเอื้อนน้ําคุนน้ําอยู่ดทงไฮทงนาเขาไถนาแล้วเขาเอื้อนน้ําคุนห้องจริงหัวจิงควรควมจริงนาบุ ค, คุณตะกอนตั้งหานนี่ของยังนี่มีมัดทุกคนพระทรงองค์เจ้าก็มี ญาติโยมก็มีคนถือศาสนาใด้ก็มีคือกันมัดจึงว่าพุทธศาสนานี้เป็นสากลเป็นของบุคคลผู้ที่รู้บนนี้เป็นของบุคคลผู้ที่ไม่รู้ด้เป็นของบุคคลผู้ที่รู้คนใดรู้คนนั้นแหละเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเขาจึงว่ากันว่าพุทธานุพุทธังว่าส่วผู้ตธัสโลตามพระพุทธเจ้ามีศีลนิทิเสเมอกัน มีสิ้นคือกันกับพระพุทธเจ้ามีความไมเห็นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าโมผิดกันถ้าผิดจากนี้ไปแล้วผมว่าทูกของผู้นั้นแต่วิธีผมนี่โบทุกแต่วิธีนั้นก็ได้บอกได้สอนกันมาแล้วมู่หลวงพ่อมู่นี่ก็ได้เห็นสําเร็จมาแล้วอย่างบ่เนี่ยมุมาหามู่คุณทุกคนละอยู่เนี่ยเหตสตาจังหวะทีแรกต้องแรกต้องเ็จังหวะสตาจังหวะมันยังฮู้เลยแล้วพอดีฮู้จังหวะแล้วก็ มันสติมันรู้สึกตัวแล้วก็มาเดินจมกร ม, มเมื่อเดินเข้าไปแล้วมันเกิดปัญญาตัวปัญญามันเกิดมาเพราะตัวของฮิตจังหวะพี่เด็เกเมื่อรู้อันนี้แล้วผมก็เลยเออนี่วมเป็นพระอยู่ที่ตรงนี้เองวันนี่ผมย่างอยู่ครับรนุ่งกางเกงโอ้กูเป็นพระได้แล้วเด้วนนี้เป็นวันนั้นน้ำหนักตัวของผมเนี่ยร้อยกิโล ยังน้อยมันตูมไปโลดวันันหกจิกิโลแต่ผมคิดว่าแปดิกิโลมึงไปแล้วบันนี้วัาสันเบาขึ้นไปหนึนะ่วันสันงปั๊บแต๊บเมือเดียวนี้นจิตใจผมเปลี่ยนสองครั้งครับตอนเย็นนั้นที่ว่าเป็นสูตรที่ดีที่สุดสูตรอันนี้ก็เลยรูเห็นเข้าใจสัมผัสแนบแน่นสูตรมันว่ากิเลสตัณหาอุปาทาน อันนี้ก็เป็นลูกตี้คือกันกลายเป็นขันตี้คือกันนี่จางไปเลยครับรู้จักมักรู้จักคนทันทีเลยครับอันนี้แหละเป็นสูตรสําเร็จเห็นไปตามสัตะบุรุษบุคคลผู้ที่รู้จริงๆพระพุทธเจ้ า, าสอนว่าที่บันดนี้ขวมโลขวมโกด ข, ขวมลงเอาเอินนั่นกอ่อนแต่ผมรูุจักว่ดโทสะโมหะโลภ ก็จางขายจืดไปขายขายขืข่นน้ารางซีนเนี่ยครับมันจางขายออกไปจางขายออกไปผมก็เลยมานอนครับมานอนแล้วก็ตื่นมามื่อเสารหน้าผมกรับางหน้าแปตงฝันสุดมันอันนี้พี่ได้คำว่าสุสดสําเร็จสุดสําเร็จผ่ไม่ไ้ว่าจะไปวอลสุด อ, อื่นๆด้ครับก็เลยมาเดินจมขมเมืม่อเสามาผมเดินไปเดินมานี่ยแต่ผมนั่งสก๊อตอย่างี่ครับ นั่งแล้วผมก็ลุกมาเดินเดินแล้วผมมันผมมีไฟฟ้าเอาเทียงไขไปใต้ไว้โตขี้เข็ดโตนึงมันมาแดนคาบภาพมาผมเลยเอาเทียงไข่ไต้ตามไปเพราะว่ามันกัดผมคือหนูที่เก็บมันเจ็บขิ้เก็บนีไปแสงหัวห็นแล้วกลับมาใต่ไฟเลยหัวจักสินขึ้นมาเลยอันสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยี่สิบเจ็ดสินสามร้อยเนี่เป็นสินสังคมเป็นสิ่นสมมุติ จิตวสิทธเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดหาวากันบวชมาในเข้าปีสิปีย่งย่งบวกิเลสอย่างหยาบยังบวชจากเสือบุรีตัวเดียวอย่างเลิกบวได้มาจีเรกกิเลสอย่างหยาบยังยังไหนมันก็เป็นผ้าขี้ริ้วตอนนี้หมดนี้มันก็เป็นผ้าเจ็ดเท่าตอนนี้เลิกบวได้อย่างกิเลสอย่างหยาบมันยากสู้มันบวเห็นใจมันได้หมดนี้ บมดได้เบืองใจตัวเองจากเทอเด้มันจะเห็นบอกนี่จีได้ยอย่างยังงั้นจีด้ยยังกล า, างคืนยังสิไปติดวามสงบจีได้ยยังละเอียดเป็นยังสนินหมูจากทางไปครับหมูจากทางไปโอ้สิ่งที่ว่ามีแล้วในคนทุกคนทำให้ปกติอันนี้เกิดขึ้นแนละ้วเกิดปัญญาแท้ๆรับรองได้ทีเดียวอันเนี่ยจีว่าเป็นสูตรที่สาเร็จ รู้จักสมถะกรรมฐานรู้จักวิปัสนาภาวนารู้จักแทะสมถะกรรมฐานไปเป็นทางสุดครับแล้วตำลาพุนวาคันวาสมถะกรรมฐานตั้งหลักมั่นแล้วก็ยก ข, ขึ้นพระแต่ลักมาพิจรารณาตอนนี้อายุอะไรกันได้ผมเห็ดแล้วเห็ดมาแล้วครูบาอาจารย์สอนมาแล้วเดชหายใจเข้าพุทหายใจออกโถนันบหนึ่งสองสาม ห้องยุบมีเหตุแบบเม็ดครับดูลมหายใจสั้นยาวเข้าออกมีโอยลมหยาบลมละเอียดมีเหตุมาแล้วโบเกิดปัญญาโบเกิดสูตรสําเร็จอันนี้ขึ้นหมายเหตุแท้ๆพอดีมาทําอันนี้มันเกิดปัญญาเกิดเป็นสู้สูน้นึงขึ้นมาแท้แทนี่ก็เลยรู้จักสิ่งสิ่งแปลปกตินั่งอยู่นี่ขนพู้ได้โดยปกติเราแสดงว่าเม่มีสิ่งตัวเดีย ว, ว, ว, ยวจัดการกิเลสอย่บอาบบ่ได้เป็นพระคีริวนี่ ผมเข้าใจนั่งอยู่นี่ถ้าหากผู้ใดมีปกติล่างกายได้เคลื่อนไหวปั๊บแป๊บปจิตใจมันคิดปั๊บแป๊บเห็นนั่นผู้นั้นเป็นผู้มีปกติจะเป็นผู้มีศินจึงจํากัดจัดการกับกิเลสอย่งงางหนาบได้สมาธิแต่ตั้งใจตั้งใจฟังตั้งใจเบื้อ ง, งตัวเฮาพี่เด้บุรีสมาธิไปนั่งหลับตานั่งมูกกบบ่งให้เงากระรู้จักนั่นอันนั้นสมาธิแบบหนึ่งอันนั้น สมาธิปแปลว่าตั้งใจมัน่นทําการทํางานพูดคิดนั่งอยู่นี่ตั้งใจเบ่งใจของพี่ตั้งใจเบ่งการเคลื่อนไหวของพี่บอไปเบ่งผู้อื่นมู้ดเห็นอย่างเห็นทันทีนี่จิวักให้มันคือตาไกป่ปานี่อย่างโบราณมันคือใกล้ตาตูมใกล้ตาโลโอยมันก็นใส่บได้ปฏิบัติธรรมะบอ ก, ก้าวหน้าเลิกละข่มตัวทั้งหมดเปลี่ยนแปลงทั้งหมดปีนี้เป็นอย่างไร พอดีรู้จักอันนี้แล้วผมก็เลยรู้จักสิลสินผมไม่ด้สินห้าสินแปดผมรู้จักะผมเกิดสูตรขึ้นมาสินขันสมาธิขันปัญญาขันนขันคือที่ผมหูจักแต่ก่อนมุมาหาน้นวายขันคือที่ขันคือรองรับขันคือต่อสู้ผมเข้าใจอย่างนั้นขันดีตักนานได้กินขันแตกตักนาโบได้กินขันดีตักเข้าไปแให้ บานให้เจ้าหัวไอจกตะบนน้าอยากกินขันกบหกเด้งตักน้ากะบนได้กินขันแตกอ่ะบัดนี้ห่าขันห้าห่าเนี่ยขึ้นขันสมัยนี้ขันเรียกว่าขันสามขันสองที่ว่าเฉลี่ยว่าแล้วเรื่องนีขันห้าบตรงได้มาจิพปฏิบัติธรรมอเมจก้าวนาได้ยังไดมันต้องตรงนี้คน มันต้องเข้มแข็งจังหวาเอากันเข้มแข็งทีนี้มู่เฮาอยู่เนี่ยถ้าหากว่าฝังและปฏิบัติอย่างที่ผมว่าหลักพุทธศาสนานี่มาทำกลมสว่างให้แกโลกโลกจีบโวื่นหล่นโบสสับสนโบวุ่นวายโบเดือดร้อนอันนี้เขามีที่อยากไปประกาศทุกงโดงบนทหั่นทุกงโดเนี่ยทุงหมายถึงอันใดได้นุ่งผ้าขาวบอก เปนนุ่งผ้าเหลืองไปเป็นสิบเป็นส่าวเป็นร้อยเป็นพัน 1, ไปแล้วระบุหัวจักหลักห่มส่วนมันจริงเนี่ยไปทูดลงทูดลงไปว่าขัดเกลว์คุณวารันขัดเก่าควุมซัวคว่มซัวมีอยู่ที่ใดในใจิตในใจเขานี่เอาออกบนไปเอาออกนอกมันเห็นมันบวชเฮ็ดคุณว่าเอิญกินเลดอันนั้นอนะันมันบวดีเขาเอาตัวสติตัวปัญญาตัวสมาธิดีมาไว้กับเนื้อกับตัว การพูดการจาการทำการคิดเขากระอ่อนน้อมทอมตนลงมาจๆเขาถอยตัวลงมาบนแม่ปฏิบัติ อ, อัศ น, น, น, น, น, นาคนอื่นนี่ปฏิบัติธรรมานี้เพิ่นวานี่อัศนาคนอื่นร้อยครั้งพันครั้งมื่นครั้งแสนครั้งบ่ามีประโยชน์เฉพาะอัศนาตนทีเดียวจิการพูดร้อยคำพันคำมื่นคำแสนคำล้านคำก็ตาม รู้การกระทําความรู้สึกครั้งเดียวบ่ได้เนี่ยพลว่าจังสังแล้วเฮาจีให้จังไดไทยซีมาให้เฮารู้รู้ตัวเฮาที่ให้เฮารู้ได้บ่เทวดาให้เฮารู้ได้บ่ก็โตเฮาแต่ว่ารู้ตัวเฮามันเป็นอย่างไรเมื่อแยกสมถะกรรมาฐานเมื่อมีสิ่งขันสมถียขันปัญญาขันเรียบร้อยดีแล้วก็เลยรู้วิพัฒนาด้วนดวนบ่เดีวยวบ่เดี้ด หรืพัฒนารวดร้นนั้นมีญาณปัญญาเป็นสูตรอันหนึ่งครับจิตใจตั้งมั่นเพราะมีสินขันห้ามีศินครับหรือว่ารูปขันมีสินเวทนาขันมีศินสัญญาขันมีศินสังขารขันมีสินวิญญาณขันมีสินที่ว่าเจ้นก็ได้มันเป็นเรื่องสมมุติเป็นสูตรอันหนึ่งเอามาขยายตัวเอามานี้สือนี้เลยครับมันว่าวหลายเลยตัวจริงมันน้อยครับ ก็เลยรูอ่ะทำบาปด้วยกายเนี่ยเอากายไปค้าสัตว์ลักทรัพย์ไปทุจริตตายแล้วไปตกนรกขุมไดก่อนสิถ้าหานรกมีอ่ะหรือว่าคำพูดนี่เนี่ยพูดผิดคิดผิดบนเน่เนี่ยเนี่ยพระสรภวินันครับพูดผิดออกมาแล้วบ่นเนี่ยตายไปแล้ว ไปจกนรกคุมแต่ขนรกมีนานจากปีจากเดือนนี่ยเข้าใจยังไงบ้า น, นี้เรื่องมูนี่มันสร้างมาจากใจบนนี้ใจคิดผิดคิดทุกจริตคิดผูตรงกับคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้าตายไปแล้วไปจกนรกจากปีจากเดือนท่านมันมีจริงถ้ามันพูดจริงไปไสมันรู้จัไไจกแต่มันเห็นครับนี่วิปัสสนาจึงว่ารู้แจ้งรู้จริง วันนี้ทำบาปด้วยกายกระทำวาจากระทำใจกระทำพร้อมกันเลยบันนี้ถ้าหากนรกมีจริงตายไปแล้วไปตกนรกกลุมใดนานจากปีจากเดือนผมเข้าใจอย่า น, นเพราะว่าผมบูโหนเนี่ยครับอันนี้แหละเป็นสูตรที่เราควรศึกษาและปฏิบัติให้รู้ถ้าหากเราบูร้อย่างเสีแเราเต็มทีเป็นผ้าขี้ริ้วทีเดียวเป็นผ้าเสกเทา บวชมา น, นี้เขาจีประโยชน์ของของน้อยที่สุดอั น, นิส้ทรงการบวชในพันว่าต้องศึกษาถ้าหากศึกษาหลักสูตรนักธรรมท่านตรีท่านโทธิ์มันก็บว่าเป็นอั น, นิส้ทรงการขับปัรษาสําหรับทัพเมียควรปีนี่อ่ะต้องรู้ธรรมะอันนี้จึงเป็นอั น, นิส้ทรงการขับปัญหาถ้าหากโบลูอันนี้ก็แสดงว่าอั น, นิี้ท์การขับปัรษาเขาบ่มีแล้วมันเป็นบัดนี้ในทางตรงกันข้ามมันทําบุญด้วยกาว ปากเบาวาถ้าหากสวรรค์มีนิพานมีจริงตายไปแล้วไปเกิดยุสวรร์นานจากมือจากวันจากปีจากเดือนเข้าใจยังีิครับแบบ น, นี้ปากดีวาดีวาเตคข่มสัตว์ข่มจริงนี่แหละให้คนฟังตายไปแล้วไปเกิดสวร์สรรพานิพานมานมจากปีจากเดือนถ้ามีจริงนะถ้าบ่มีจริงไปใส เนี่ยมันหูจักบางทีบัด น, นี้ใจก็ดีคิดดีคิดใจดีไอเด้ไปทำใจดีตายไปแล้วตกิดสวรรค์ข น, น, นาดนันจากปีจากเดือนหูจักยังสีเห็นจังสีครับอันนี้เป็นสูตรสูตรหนึ่งของบุคคลผู้ที่รู้จริงจรงวารู้แจ้งเห็นจริงตามควมเป็นจริงจรงวรู้ตามเห็นตามเป็นสาวกพุทธะเข้าใจไหม บัด น, นี้กายกระทาดีพูดกับพูดดีใจกระคิดได้ดีสามอันนี้พร้อมกันเลยเบ็ดถ้าหากสวรรค์นิพพานมีเป็นอย่างไรไปเกิดอยู่ใสเขาจะไปเซอร์ไวอ้อยู่จากปีจากเดือนมันหู้จักตรงสิครับพอดีหู้จักอันนี้ค ล, คลายคลยคือฟิวไฟฟ้านี่ครับคันว่านม่มันมันสว่างอยู่กับเหมือนว่าดับ ขณะมันดับก็บเหมือนเขาไปปิดให้มันสว่างนึงบีบปั๊บหนึง่งผาดมัดมันโตพี่ครับให้ว่ามีดบาดเขาแต่ก่อนมันออกปากบาดครับวันนี้เลื่อดมันกลับคืนครับมัดทุกหยดทีเดียวบุออกปากบาดหดตัวครับมัดมันเป็นยังไงครับนี่เป็นอยู่ครประมาณจากห้านาทีผมเป็นเดินจงกรมผาว่าผมพ้นดินได้จากเม็ดหนึ่งหรือสองเม็ดพุ่นครับ ทุกคนเนี่ยคำสอนน้อยๆมันข่มปันญาน้อยจเพียงแต่ทำวามรู้สึกตัวนี่อั น, นิสงส์มันมากปันนี้นอกเนื้อจากนี้ไปบ่มีแล้วก็เลยรู้จากมั น, นจืดมัดเนื้อมากตัวคือสำเรียงแห้งๆนี่ครับติดเขาป่อมันคือดักแด้นี่ครับทุกคนต้องเป็นอย่างสีบนยกเว้นบัวได ยวนจะตายนี่แหละครับแน่นอนที่สุดแต่ว่าคนบุรู้จักอันนี้ก็ไปทางผิดนี่ครับเบอร์ น, นี้อันนี้ผมว่า <c oughs> เมืองกับนักมวยครับนักมวยเนี่ยเขาเจ้าขึ้นเวทีแล้วโดดจัดลงเขาเจ้ า, าสนามมวย่มนุษย์งายก็ได้สบายคนบุรู้จักวิธีโดดเราเอาหัวลงก้อนคอหักตายซ้ำนี่มันเป็นส่น ก็เลยรู้จักอ๋อนี่คำสอนของพระเจ้าทั้งหมดเลยแปด0มื่นสี่พันพระธรมันนั้นบรรจุลงที่ตรงนี้ถ้าหากเราเรียนรัดมาสู้สู้สำเร็จอันนี้แล้วแสดงว่าเขาได้เดินตามรอยของพระเจ้าผมเข้าใจอย่างสัตผมจึงบูเสื้อผ้ายังมดัดเสื้อว่าของจริงมันมีในคนทุกคนนกเว้นบ่ได้เรื่องนี้ ผู้หญิงก็ต้องไปนี้ผู้ชายก็ต้องไปนี้พระเนงก็ต้องไปนี้ถือศาสนาใดแล้วที่ใดก็ต้องไปนี้เพราะทุกคนมันต้องตายเมื่อหนักในโลทุกคนต้องตายความตายมีจริงไหมหรือไม่มี <S <S เราบบเห็นเราโบารบู้เราเห็นแต่คนตายเอาเข้าหลงนั่นแล้วอันตัวตายจริงๆนะครับโบเห็นมีคนว่าตายเสียก้อนตายอย่างไม่เป็ลมหายใจคนนึงเมื่อถึงที่สุดแล้วยานยอมมีคนวัน มันตัดไว้หนังสืออันธรรมวิจารเป็นหลักสูตรนักธรรมสันเอกครับพูดที่จเจริญสติปทานซี่อย่างถูกต้องวะท่นให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่วะท่ายังนานเจ็ดปีย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันอานิสงไม่ต้องพูดเลยวะท่านเนว่าหนึง เป็นพระอรหันต์อาจารยถ้าหากวิจากการเป็นพระอรหันต์้วต้องเป็นพระอนาคามีอยู่อัจารมรุบูมหาวันมุนแน่นอนที่สุดว่ันนี้คุณว่าแล้วเข า, เห า, า, กกเาใหาา้มานี่จากกี่ปีกี่เดือนไปแล้วให้ฐานรักษาศีลมานี่จากกี่ปีกี่เดือนมันบ่มีญาณมาบอกขอเขาทันทีอันนี้แหละเป็นสูตรสูตรหนึ่งของบุคคลผู้ที่รู้บุญม่อเขาจิตใจเห็นเดียนรับนัดอันนี้ครับ สำคัญให้รู้สึกตัวนี่แหละปีนี้มันต้องเอากันอย่างจีิงจครับผมคิดวางโครงการไว้แล้วปีนี้มันต้องทำตัดทับมือขวดผู้ใดหักพอใจอยู่ยิตฝึกเนื้อฝึกตัวก็นี่หมุนเตรียมเนื้อเตียมตัวผมจิดพยายามเข้ากุศทุกองค์ทีเดียวซึ่งของพยายามเก็บให้มันน้อยที่สุดเพราะจิตปฏิบัติธรรมะฟื้นฟูนจิตใจจริงๆ ถ้าหากผู้ใดบวพอใจอยู่เอื้อบังคับนีบ่เกินไปก็นนมีมุนไปได้ครับบวห้ามบวชเล่นผมวดซีซักส่วนมียั้งครับผมบอกมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้บอกมาเต้นเนินๆไม่ยาพอ <c oughs> บอกมาเต้นเนินๆปีนี้มันต้องเอาจิงเอาจังปีที่แล้วเนี่ก็ผมบดสบายแล้วปีนี้ก็บดสบายแต่ ว, ว่าทางวัดผมจิพยามทำเพราะว่าเวลามันรัดขุมเวลามันน้อยมันหมดไป ถ้าห้าข่าวโตั้งใจสอนกันแล้วสูตรสูตรอนไรเมา่อกี้สูตรหายไปมาขาดบ้านขาดตอนไปสูตรสูตรนี้ผมว่ามาเนี่ยเว้าตามที่ผมได้ประสบเหตุการณ์อันนี้มาอืจึงว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้ากับว่าได้เป็นคําสอนของผู้ลู่กับว่าได้รู้ย่างไม่รู้อันหนึ่งรู้ย่างผู้ลู่อันหนึ่งรู้ย่างไม่รู้น่ะคือรู้ จิตใจมันบม่รู้จิตใจมันบนรับรองอันนั้นรู้อย่างไม่รู้รู้อย่างผู้รู้รู้แล้วจิตใจมันแน่นแฟนลงไปเลยบนเดียวถึงเป็นตายก็ต้องเอาชีวิตเข้ารับรองมนุษย์มีป็นว่ารู้อย่างผู้รู้ได้ประกาศความจริงต่อคนทุกคนได้ไม่ผิดเลยเพราะว่าทุกคนมันเป็นเนาท่านนี้นนเขานั่งอยู่นี่จีมีนัน่งนี่สบายอยู่ซื่อนี้ แต่บางคนหนักสบายซื้อบุู้จักว่าจิตใจเจ้าของคิดอย่งร่างกายเจ้าของนี่รูกอันนี้เคลื่อนไหวโดยบริสิทธิ์แกับบรู้อันอันนั้นก็รู้ยังไม่รู้อันสบายซื้ออันรู้อย่างผู้รู้เนี่ยนั่งอยู่นี่ก็รู้มันเคลื่อนไหวลู้ลดนี่คนว่ารู้อย่างผู้รู้จิตใจมันคิดรู้นี่รู้อย่างผู้รู้รู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้คนว่ารู้จะออกสนะตัวได้คนว่า คันรูอัสนะตัวบบได้ก็โอ้ยก็นรูย่างผู้ไม่รู้อีกซึมแล้ววันนี้เนี่ยคมรูไจะมีสองรูรูย่างไม่รู้อันหนึง่งรูอย่างผู้รู้อันหนึง่งจําให้มันดีถ้าหากว่าเหาปฏิบัติอย่างตีทุกองค์แล้วจนนํานวนติดผู้รูปอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่ออกเพราะออกก็หลายคนถ้าหากเหาฟื้นตัวจังตีได้แล้วได้ปีละคนผมก็พอใจแล้ว ออกมาช่วยกันทํางานด้านนี้เดี๋ยวนี้มันมีเต็ปริมาณคุณภาพมีน้อยเจียงว่าช้วยกันถ้าหากผู้ใดอยู่นี้ถ้าบูอยู่นี่กับบเป็นยังครับอยู่นี่ต้องช่วยจริงๆจริงจร่งปีเนียผมจะออกสอบอารมณ์ถ้าหากบูจาเป็นนะครับมือหนึ่งสองเถอตอนเ้าับตอนเย็นผมเคยทํามาแล้วตั้เมื่อเป็นโยมมู่โยมอยู่นี้เนี่ เคยทํากับผมคนรุ่นก้อนๆพุ่นสมัยที่แรกผมมาสอนผมเป็นโยมอมืสอนมูเจ้าหกขอเท่าเรืองมูไม่เท่าเรืองหลายคนนะอย่างโบาตายอยู่นี่อย่างกับอย่างมี้พระเรื่องกับพระนอมกับมุ่ไม่เกี่ยงสี่ันตายไปหมดแล้วเป็นอะไรทําอันเนี้ยเด็กน้อยผมเคยสอนมาแล้วครับอายุในเกณฑเอ้าปีถึงสิบสามปีนี่แต่เด็กน้อยเขาโบมีอารมณ์มาก รู้งา่ายบากเกินเดือนมหาบุรทองจากเดือนก่อนอย่างหูจักนี่นูกคุณอ่ะมันมีอารมณ์มันเหียนมันเฮียนไปไปติดอารมณ์มันไปติดความืูมันสูดเหียนมาพุ่นมันเป็นอยงไรครัมูลมหาบทองนี่แหละเป็นเป็นรุนแรกละ่ะมูลเนีย่ยมาช่วยกันฟื้นอันนี้เนีย่ยมันเป็นอย่างไรก็เลย มีจังหวะมีท่าทีขึ้นมาเขามาเฮ็ดไสอันจังหวะเนี่ยเพื่อปลุกคนผู้ที่บ่มีขมลูบ่มีปัญญาให้มันตื่นตัวให้มันปลุกตัวอันเฮ็ดจังหวะพลิกมือขึ้นขั้วมือลงเนี่ยอันสูตรที่ผมว่าเนี่ยอันนี้มันมีสติขึ้นมาแล้วมาเกิดปัญญาเกิดการเห็นแจ้งตัววิปัสนาจิตว่าลูแจ้งลูจริงลูแล้วต่างเกาล่วงภาวะดุงตั้งเกาแทะ บ่เคยรู้นี้แต่ก่อนจิกตแต่ก้ อ, อนน้อมทอมตนขึ้นมาลกูกอยากให้คนฮูน้หนาอยากให้คนฮู้แล้วไปป่อยไปด่าไปเตะไปตีเขาเจ้าก่บโบเมียอีกเติมร้านไปมันพิษอันนั้นมันประกอบด้วยโทสะโมหะโลภะอันน่งมันบ่ประกอบด้วยสติสมาธิปัญญามันเป็นมิจฉ า, าทิฏฐิยังทิฏฐิยังแปลควมเห็นเห็นผิดปฏิบัติมันก็พิษ เห็นทุกปฏิบัติบังกระทู้เพิ่งอย่างวาไว้พระพุทธเจ้าว่าสัตทั้งหลายคือเราตถาคตนี่คือการกับพระพุทธเจ้าสัตทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเนี่เหมือนการกับพระพุทธเจ้าสัตทั้งหลายเป็นตถาคตเนี่เป็นสาวธธากพุทธะโบมีเป็นพระพุทธเจ้าคนบอกเรงต่างแล้วเหาบยเทศเดี่ยวต่างสัสตทั้งหลายเบเนียตัวสุดท้ายจำนวนเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแลวแห่งนั้น แล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตาทักนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตาทักนี้แน่คำนี้เป็นคำสําคัญที่สุดเรารู้เราเห็นเราเป็นเรามีคือพระพุทธเจ้าแล้วหรื้อยัง่งขันโบรูบร้โบเห็นโบเป็นโ บ, นบมีคือพระพุทธเจ้ากับเป็นภาคีรีวเท่านั้นแล้วเป็นการลอกลวงเสนบ่ ลอกลวงผู้อื่นบ่พอลอกลวงตัวเองนี่มัเป็นสิผมหุ่จักแล้วยกมือไหว้ตัวเองนะตั้งแต่มื้อนั้นมาจึงว่าไหว้ตัวเองก็มีจังหวะครับไหว้ตัวเองในเท่ๆไหว้ผู้อื่นนึ่นก็ให้แต่ลูกกาไทายน้อยใจใจเขาเห็นใจเขาไหว้ตัวเขาพี่เด็กจึงว่าทำดีพูดดีคิดดีจะเห็นพรกันเดียวพระพุทธ พ, าทาพทระธรรมพระสงฆ์มีแล้วในคนทุกคนบนยกเวรครับอที่ มาเตือนมื้อนี้ก็ให้ว่ามือมอาามมอม้อนี้เป็นมื้อเข้าพรรษาครับเป็นวันศุกร์ใมโนในยี่สิบเก้ามื้อนี้เป็นมื้อเข้าวพรรษาเวลาเย็นทําวัดเย็นแล้วก็ข้าวพรรษากันผมกจะจเข้าพรรษาตอนเที่ยงปเวลาาตินาโตมูเพราะผมจีหลงกรุงเทพไปซี้ยาครับพอคอนี่ก็ไข้ขึ้นมานี่ บวมตนวโตนี่ต้องรักษาตัวไปจากน้อยครับเพราะว่าทีดาแลว็จะเรีบมาหาหมู่มาพยายามควบคุมกันจริงๆทุกองคได้บุีพระเก้าบุญพระใหม่อยู่นี่ครับผมก็เป็นพระใหม่เมืม่เพิ่งก็เป็นพระใหม่เขาช่วยกันสร้างเกาะทับนี่ขวดนี่รองเบึงให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมะให้มันมั่นคงรองเบึงอง ถ้าหา้าเฮาบยเฮ็ดแล้วกับบมั่นคงแล้วเป็น น, นั่นแหละขวมมัน่นคงควมถาวรควมแข็งแต่งอยู่ที่เฮาทําเองอย่าเป็นโลเลการนุ่งเสื้อนุ่งผ้าเปลี่ยนการขบการสัน่นเปลี่ยนนิสัยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนการไปบินทาบาตคือกันต้องเปลี่ยนเปืี่ยนยังไงเปลี่ยนเอาคุณดีกรมงามไปให้ญาติโยมเห็น อย่าเอาคมซัวไปฆ่าจเจ้าเห็นเลิกการซื้อหนังสือพิมมาอ่านตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปถ้าหากพัจจีรโดนอ่านหนังสือพิมพมีมลไปโรดบทตรงอยู่นี่เพราะนังสือพิมพ์มาเป็นหนังสือเรื่องโลกยกเอาเจตธรรมมาล้วนเข้าไปทเดียวปีนี้พระเนนทุกองค์ครับบอกไว้ ย, ยี่นี้ได้ยินบหครับ <c oughs> ถ้าได้ยินก็เลิกถ้าหากพัจจีร์โดนเอาเนรเอามีมลไปโลดครับ มันที่มาทํำลายอยู่นี้เสื่อโลกอันนั้นมันบูดีคนบูดียื้ใส่กระเดือด่อหลอนเป็นอันธพาที่ผมว่านี่บุรเมนเวาลคณาบุรม่นวาหยกยองดีทุกคนของเพศนี้เขาเลิกได้เฮ็ดได้เป็นอันธพาลเอาแหละที่ผมได้ให้ข้อคิดถึงเครื่องสืง่อกิจส ต, ติใจมาตอนเ้าวันนี้ก็ค็ดว่าสมควรเทินเวลาเลยวท้ายที่สุดนี่ผม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 จิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างในชีวิตนี้หรือเวลาอันใกลน้นี้จงทุกทุกคนเธอสวัสดีท่านผู้เริญนัืงหลายวันนี้การคาราวะ ก็คือการเคารพการเคารพก็คือการทำตามเร า, เราจะเราจะเคารพพระครูกับพระครูรครเคารบครูบาอาจารย์อย่างในด้วยวิธีการเคารพนอบนอกต่อทําคำสั่งสอนในพุทธศาสนาที่ท่านได้สั่งสอนเราแล้วก็รอบน้อมในคำสอนหรือในอินยาบทต่างๆ ที่ท่านทำม้เป็นตัวอย่างแก่เราเราไม่ควรที่จะเอาตัวเอาตัวอย่า ง, าางที่ไม่ดีอย่างเหมือนกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยจะไม่สบายแค่ต้องปฏิบัติหลวงวินัไไปบ้างเพราะเพราะอาปาฏ อ, อ, อ, อ, อย่างกินอาหารในตอนบ่ายเป็นต้นอย่างนี้ อันนี้มีความจำเป็นใจชีวิตเราไม่ควรที่จะเอาตัวอย่างในเมื่อเรายังสบายอยู่การปฏิบัติในที่นี้อยากจะให้รู้จักว่าอะไรคือตัวเหตุสำคัญที่จะทำให้เราต้องปฏิติตามไปในทางที่ไม่คดี พระพุทธเจ้ากัดาฏิตไว้บทหนึ่งนั้นเอาใจใส่ว่าสังขาราสัสตานติขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วที่ว่าจะเที่ยงนั้นไม่มีขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วที่ว่าจะดีนั้นไม่มีสังขารแปล ว, ว่าไม่ดีทิ้งไม่ดีเกิดขึ้นเป็นสังขารแ ม, แม่แต่พูดคุยออกจากปากก็เป็นสังขารคิดในใจก็เป็นสังขาร ไม่ใช่เฉพาะตัวทําทโดยมือทั้งนอกเท่านั้นอันนี้เราก็พอมองเห็นกันแล้วว่าคําว่าสังขารนั้นมันไม่ดีทําไมจะว่าไม่ดีอันนี้ยังมันก็ไม่ดีทุกคงมันก็ไม่ดีอันหนตามันก็ไม่ดีเพราะมันเป็นสั้งขารนั้นไม่ใช่วิสังขารการที่เราจะ ทำอะไรให้พ้นจากหน่วยนี้แล้วก็ต้องกําหนดพิจรารณาจิตใจของเราอยู่เสมอว่าเดี๋ยวนี้เรามีอะไรจิตใจเดี๋ยวนี้มีสังขารข้านั้นไหนสังขารข้ อ, อนี้จังเราเป็นสังขารในทางนั้นในทางศีลปฏิบัติศีลไม่ดีนี่ก็เรียกว่าอนนีจังนในทางศีลในทางสังขารในทางอนนี้จังสังขารในทางทุกขงัง เป็นสมาธิต้องกำาจเป็นสมาธิสมาธิก็คือมีอะไรต่ออะไรที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นสมาธินี่มีความสำคัญมากคนมีสมาธิดีไม่มีทุกข์ทำงานได้เรื่อยไปแม้แต่กําลังเจ็บท่าไม่สบายก็ยังทำได้เพราะ ไม่มีทุกมีสมาธิ ม, มีสังขารก็สมาธิ